พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งลำดับที่22โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่13สิ่ิงหาคม2560มีชื่อเรื่องว่าหน้าที่เท้าหน้าหน้าที่เท้าหลังโอหลวงพ่อเองที่แรกคิดว่าจัทธาญาติโยม ถามพระว่าพระท่านรัตนะบอกว่าจะมีพระมามากประมาณสักส0 0รอยเอเอยมประมาณสักส0มรผ่านพระประมาณสัก30หลวงพอ่อเออเอาคิดว่าศาลาข้างในคิดว่าพอรับข้างในก็ได้เพราะเผออยากจะรับที่ที่ฉันน้ำอีกต่างหากคนนะแต่ตามไม่จริงถ้ามากขนาดนี้นะน่าจะอยู่ศาลานอกนะ เอออยู่ศาลานอกวันนี้นะมากขนาดนี้คาดไม่ถึงหลวงพ่อตูก็บอกว่ามาพบกันวันนั้นมาเจอกันสองขบวนใหญ่จากอเาเภอสว่างแดนดินแล้วก็จากคณะอุดรมาคณะใหญ่ทั้งสองคณะก็เลยทำให้ศาลาของพ่อแคบได้ถนัดเลยวันนี้นั่งเกือบจะไม่พอกันแต่ถึงยังไงก็ ถ้าพวกเรานั่งไม่สบายก็ให้ถือว่าสมไมหลงพ่อออกมาผูดโรงใหม่มาอยู่ที่วัดป่านาคําน้อยน่ะหลงพ่อกวาดใบไม้อยู่นะลูกหลานนะแล้วก็วันนี้เมื่อแสดงธรรมจบเรียบร้อยแล้วหนังสือเพึ่งมาเมื่อวานเองนะที่ท่านนัตนะกับคณะได้ไปพิมพ์หนังสือเล่มนี้ออกมาเป็นธรรมมานุสาสโนวาทฝากไว้ให้ลูกหลาน โดยท่านหลวงตามหาบุยนะสัมปันโนวัดป่าบัตตาจังหวึงเมืองจังหวัดอุดรธา น, นีจัดพิมพ์เป็นธรรมทานโดยมูลนิธิวิริยณศีลกวั น, ว, านาวัดป่านาคำน้อยนะเขาหมื่นพิมพ์ประมาณหมื่นเล่มหนังสือเป็นมูลนิธิพิมพ์แล้วก็เนื้อหาสาระหลวงพ่อพิกพิกอ่านดูก็เป็น ที่ลงตาไปแสดงธรรมที่ประเทศอังกฤษ เ, เข า, เาที่ถึงลงตาแสดงธรรมที่เขาสมัยนั้นยังไม่มีเครื่องบันทึกเสียงนะ เ, เพียงแต่มีใครเขาว่าลงตาพูดอะไรเขาก็นออดนอดนฝรั่งพูดอะไรเขาก็นอดนอดนอดจากนั้นเขามาพิมพ์ครั้งหนึ่งแลหล ะ, ละพิมพ์เป็นหนังสือนะแล้วก็ช่วงหลัง ประมาณครึ่งหนึ่งที่หลวงตามาแสดงธรรมรือมาที่วัดปา่านาคําน้อยพวกเราก็ได้อัดหลวงตาไว้แต่ก็น่าเสียดายมาคิดย้อนหลังแล้วคือหลวงตามาบางทีก็มาแบบท่านไม่ได้บอกกล่าวเราก็ไม่ได้เตรียมเครื่องไว้ก่อนพอมาแล้วก็ฉุกโลหุกเราจะมาเตรียมเครื่องในขณะที่ท่านกํบบาลังเทศก็ไม่ได้ใช่ไหมเราจะแต่โดยมากกับนี่แหละขโมยอัดทางห่างนะ เราอัดเพื่อแสดงเมื่อท่านแสดงธรรมแล้วก็เราก็ได้อัดไว้มากพอสมควรเดี๋ยวนี้กำลังถ่ายทอดออกมาว่าหลวงตา ม, มาที่วัดป่านาคำน้อยเนี่ยท่านได้เทศพระได้บอกได้กล่าวได้สอนพระอย่างไรไว้บ้างโอ้บางครั้งก็เผ็ดร้อนพอสมควรนะแต่ทีัรงไงก็เป็นธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถึงจะเป็ดร้อนอย่างไรเราก็ต้องยอมน้อมรับ ท่านตรงมีเจตนาดีกับเราท่านได้นําสั่งสอนบอกกล่าวเพราะนั้นหนังสือเล่มนี้ก็เลยมีทั้งสองสองเรื่องราวคือเรื่องราวหนึ่งก็คือท่านเทศที่อังกฤษเรื่องราวที่สองก็คือท่านหลวงตามาที่วัดป่านาคําน้อยแห่งนี้แหละท่านก็ได้แสดงธรรมให้กับพระลูกพระหลานในยุคสมัยนั้นต่างกลัมต่างวาระเพราะฉนั้นวันนี้หลวงพ่อคงจะ ก็มี MP3 แจกถ้าว่าอีกส่วนหนึ่งท้ามีอะไรจะค่อยว่ากันอีกนะหนังสือก็มีหลายมีหลายเล่มนะที่ทีมีอยู่แล้วก็วันนี้คิว่าจะคงจะแจกเล่มนี้ก่อนกับ MP3 ให้คณะทายาิโยมเอาไปอ่านเอาไปศึกษาตามที่จริงการอ่านการศึกษาพวกเราจะเฉลียวฉลาด รอบ ร, รู้ขึ้นมาได้เนี่ยต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังนะอาศัยการศึกษาจะอยู่ในแห่งหนึ่งตำบลใดก็ตามถ้าคนไม่ได้รับการศึกษาที่ดีจะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้นั้นมันไม่มีในโลกเนี่ยมันต้องผู้ใหญ่เกิดก่อนแล้วก็แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวรุ่นลูกๆ ล, ล, ล้านหลานลาน้องนนุ่งต่อไปพวกเราก็ได้ฟังครั้งนั้นมั่นฟังครั้งนี้บ้างฟังหลายครั้งต่อหลายหน จับขึ้นมาได้จากนั้นก็เอามาเป็นสมบัติของตนเองในเมื่อฟังแล้วนะที่แรกก็เป็นสมบัติของครูบาอาจารย์ที่ท่านหยิบยื่นให้นะในเมื่อเราได้ฟังได้ศึกษาแล้วก็นํามาประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายวาจาใจของเราเป็นสมบัติของเราทีนี้ครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้แบ่งสรรปันส่วนเอาไปจากเราอีกทีนีเพราะเป็นของเราแล้วนะอย่างที่หลวงพ่อนะ่ อูกับองค์หลวงปู่ล่าหรือหลวงตามหาบัวครูบาอาจารย์เข้าไปศึกษาในยุคนั้นท่านได้แบ่งสรรปันส่วนอะไรจากเรานะจากหลวงพ่ออินแหละไม่ท่านจากจากไปหมดแล้วจุดติเนรพานไปหมดแล้วแต่หลวงพ่อได้ความรู้ความฉลาดสามารถหมาหลวงพ่ออย่างยกมือท่วมหัวห ว, ว่าได้มาจากครูบาอาจารย์ที่ท่านให้โอวา่าที่ให้แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวทั้งดุทั้งด่า แต่ท่านสมัยสมัยเมื่อท่านดุระด่านะเราก็ไม่พอใจนะเราก็มีบางทีของความโมโหอยู่ในใจก็มีอยู่ฮแต่ก็อจะทํายังไงได้ละ่ะ เ, เราก็ต้องฟัง เ, เมื่อเราเข้าไปอยู่กับท่านมอบกายถวายเป็นลูกศิษย์ท่านแล้วนะ เ, เราจะบอกว่าครูบาอาจารย์อย่าไปสอนผมแรงเกินไปนะออย่างนั้นก็ไม่ได้อย่างที่หลวงปู่ล่าเคยพูดนะท่านบอกว่า เราเป็นเหล็กเมื่อเราเป็นเหล็กลาบอยู่เราจะเป็นมีดเป็นพระนะจะเป็นมีดใช้การใช้งานเป็นมีดเป็นขวานนะเราไปให้ช่างตีเขาตนะีแล้วก็เนี่ยเมื่อช่างตีเขาตีจะไปตีแรงนะจะไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงเพราช่างตีเขากะตามความเหมาะสม ถ้าว่ามีดที่มันตีพอแรงแล้วเนี่ยจะเป็นมีดเป็นพล้าอยู่แล้วเดีจะไปตีแรงก็มันเสียหายเสียของไม่ไหม้แล้วจะไปค่อยๆตีก็ไม่ได้มันก็ต้องตีแรงแค่สุดแท้แต่นายช่างผู้ที่เขาจะตีนี่ก็เหมือนกันกูบาอาจารย์เหมือนกับนายช่างผู้จะตีเหล็กอท่านจะใช้สติปัญญาของเราใช้ยังไงเราก็เหมือนกับเป็นเหล็กกราบนะ เ, ขาเข้าไปก็ไปกันให้กูบาอาจารย์แนะนำสัง่งสอนบอกกล่าว นี่แหละอันนี้ก็คือการเข้าไปศึกษากับครูบาอาจารย์เพราะนั้นสรุปแล้วก็คือพวกเราจะเฉลียวเฉดฉลาดขึ้นมาได้ต้องได้รับการเรียนรู้ได้รับการศึกษาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์อันนี้ก็เหมือนกันนั่นแที่พวกเราจะได้รับหนังสือไปนี่อนไม่ใช่หนังสือความรู้ความฉลาดของหลวงพ่อนะเป็นความรู้ความฉลาดที่ได้เอามาจาก ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวจากนั้นก็เอามายิ้มเย็บหยิบยื่นให้กับพวกเราให้พวกเราเอาไปศึกษาหลวงพ่อก็บอกว่าเออหนังสือนี่นะออสำหรับศรัทธาญาติโยมจะเป็นผู้ใดใครก็ตามนะออถ้าไม่อ่านหนังสือเสลยนะ่ะอัลไซเมอร์จะตามมาง่ายๆนะหลวงพ่อบอก เ, ออเพราะหลวงพ่อฟังคำหมอเขาพูดนะแพทย์เขาพูดนะหลวงพ่อฟังมีส่วน คือหนังสือเนี่ยเราต้องอ่านอย่างน้อยวันละ30นาทีพออ่านเสร็จแล้วอ่านหน้าสองหน้าแล้วเราปิดไว้ก่อนแล้วก็นั่งทบทวนว่าที่เราอ่านไปนี้เนะ่ยเราอ่านหนังสือมีเนื้อหาสาระอะไรข้อความอะไรที่เราอ่านไปนี่เนะี่ยแล้วก็ทบทวนถ้าจําไม่ได้เราเอากลับมาอ่านอีกพอมาอ่านอีกแล้วพยายามจดจําแล้วก็ แล้วก็ทบทวนอีกนี่แหละถ้าหากว่าเราอ่านอ่านไปแล้วจำไม่ได้นี่แสดงว่าเราในะอ่านเส็มเมอร์กาลังตามเข้ามาเรื่อยๆนะเพราะนั้นเราต้องเราต้องฝึกฝนตัวเองฝึกฝนความจำความจำเอาไวนะ้อย่างน้อยวันละ30มนาทีให้อ่านหนังสือนะอันนี้เป็นการฝึกสมองนะเป็นการฝึกสมองเหมือนกับเราออกกาลังกาย ตอนเช้าเรา อ, ออกจอกกิ้งหรือออกกําลังกายเวียงแขนก็าตามจะทําอะไรก็าตามที่ออกกําลังกายออกกําลังกายนั่นก็คือกายได้กําลังแต่สมองเนี่ถ้าหาว่าเรามีแต่คิดเรื่อยเปื่อยไปแต่ละวีแต่ละวันบางทีก็อ่านยุกอ่านหนังสือแต่พออ่านหนังสือบางทีไปอ่านหนังสือการบ้านการเมืองบางอ่านหนังสือเรื่องราวที่เขาเทะเลาะวิวาทาากันเรื่องศึกสงคราม เรื่องระเบิดจังก้นระเบิดเนี่ยเราก็โมโหให้เขาอีกเผลอๆ เ, เ, เส้นเลือดแตกอีกอาบางที เ, เสียอกเสียใจยอีกต่างหากไม่น่าจะถูกอีกเหมือนกันแต่ถ้าอ่านหนังสือธรรมะเนี่ยพออ่านไปแล้วเนี่ยปล่อยนะวางนะให้แค่ว่าเป็นธรรมะสอนสอนตัวของเราไม่ใช่สอนใครนะอย่าไปคิดว่าหลวงพ่อเองหรือหลวงตา ม, มหาบัวสอนน่ยไม่ใช่อันนี้ถือว่าสิ่งไหนก็ตามถ้ามันเป็นประโยชน์ สอนเราให้เราได้รับความรู้ความฉลาดได้รับความรู้รู้เรื่องเรื่องศีลสมาธิปัญญานำมาประพฤติปฏิบัตินั้นก่อนนั่นแหละ เ, เป็นขุมทรัพย์ของพวกเราไปวันเรานำประพฤติปฏิบัตินำทำคำสอนนั้นมาปฏิบัติเป็นสมบัติของเราี่ไม่ใช่สมบัติของท่านนะนี่แหละท่านจึงบอกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้แนะนาสั่งสอนบอกกล่าว เป็นผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้ในเมื่อท่านชี้ขุมทรัพย์ให้แล้วนะเราไปขุดตรงนั้นแหละตรงที่ท่านชี้ให้นะ่ะเราได้ขุมได้ทรัพย์มาท่านก็ไม่ได้มาแบ่งปันแสงสังสารแบ่งสารปันส่วนจากเราเป็นสมบัติของเราเพียวๆเพราะอะไรเพราะเราไปขุดท่านบอกให้แล้วเราไปขุดเอานี่ก็เหมือนกันบางคนเวลาครูบาจะแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวสู้ครู ไม่น่าจะถูกนะสู้ครูนะถ้าฟังฟังถ้าท่านพูดผิดหรือถูกนะบางต้องต้องมีเหตุผลอย่างอย่างเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ระดับผู้ใหญ่จะแล้วนะเวลาท่านจะพูดอะไรบางทีท่านไม่ได้พูดตรงแต่ท่านพูดจุดอื่นนะแต่มันกระทบกระทบจุดนี้นะท่านไม่ได้พูดเพื่อจุดนัดแต่ว่าเราตีความหมายอีกจุดหนึ่งนะแต่ตามไม่จริงมันเป็นอีกจุดหนึ่งที่ท่าน ต้องการที่ท่านปานานรารถนานี่แหละสิ่งเหล่านี้แหละคือสรุปแล้วคือท่านสอนเรานั่นแหละนะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะที่ได้นาหนังสือไปก็ดี MP3 ไปก็ดีเราขอให้ไปเอาไปฟังเอาไปศึกษาดอูอย่าไปคิดว่าคนนั่นคนนี้เป็นคนคนแสดงธรรมถ้าฟังดูแล้วมีเหตุมีผลมีหลักเหตุผลพวกเราก็นำไปประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายวาจาใจของเรานี่แหละ ก็ให้พวกเราทุกๆท่านนะวันที่เห็นคณะสงฆ์จังหวัดอุดรอำเภอสว่างและก็คงจะหลายอำเภอที่ได้รับรรับทราบร่วมกันมาตลอดถึงพี่น้องประชาชนวันนี้รู้สึกว่าอบอุ่นนะเห็นพวกเราท่านทั้งหลายเข้ามาสู่วัดของหลวงพ่อนานทีอย่างหลวงพ่อเคยไปสถานที่ต่างๆอย่างหลวงพ่อไปอุดรหรือไปสกลนครไปที่ไหน ลูกหลานคิดดูสิว่าหลวงพ่อไปไกลไหมพวกลูกหลานเข้ามาเนี่ยไกลไหมนี่แหละพวกลูกหลานก็ได้จะได้เปรียบเทียบว่าหลวงพ่อจีจะไปวัดต่างๆแล้วไปสถานที่ต่างๆโอ้ออกจากนาคำน้อยไปแล้วไม่ใช่ใกลเลยเนีย่พวกเราจะได้รู้ว่าุกพวกเราท่านทั้งหลายเข้ามาหาหลวงพ่อก็ไกลเหมือนกันแต่ถึงยังไงก็กกตามนะถึงจะไ ก, กลแต่ทางกายแต่จิตใจ ถ้าพวกเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจในแถวแนวเดียวกันถึงจะไ ก, กลก็เหมือนใกล้นะอขอให้พวกเราทุ ก, ท, กท่านประกอบคุณงามความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องหนุ่งทั้งหลายฝ่ายพระสงฆ์ฝ่ายพระสงฆ์พวกเราอย่าชล่าใจทุกวันนี้นะสื่อต่างๆเรื่องต่างๆมันมีมากเหลือเกินถ้าหากว่าพวกเราเป็นไม่เป็นพึกแผ่นนะ ไม่จับมือกันให้แน่นนะพร้อมที่จะแตกกระจกะจายเหมือนประเทศอินเดียได้ไง่ายๆเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะพระพุทธเจ้าท่านสั่งท่านสอนท่านบอกกล่าวไว้แล้วว่าศาสนาของเราตถาคตจะยั่งยืนนานไปได้ก็เพราะพธบริษัทสี่นี่แหละถ้าหากว่าศาสนาของเราตถาคตจะบรรลัยจิบหายวายปวงไป ก็พุทธบริษัทสีของเรานี่แหละสรุปแล้วก็คือพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าศาสนาเสื่อมหรือจะจะจะเจริญนะก็พุทธบริษัทสี่นี่จะทําให้เจริญจะทําให้เสื่อมกับพุทธบริษัทสี่นี่แหละจะทให้เสื่อมเพราะนั้นให้พวกเรามองมองพวกเราทีนี้ถ้าว่ามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นที่เขาจะอมตีมาเรื่องต่างๆที่แล้วเขาบอกมาแต่เราให้มองเราทํามองเราเราไม่มีอะไร เออาไม่ไม่มีอะไรเราก็บอกว่าไม่มีอะไรมันจะมาพูดทำไมฮเออเราก็ตอบโต้เขาได้แต่ถ้าว่าเรามีส่วนผิดที่มันไม่ถูกต้องเออเราก็คล้ายๆว่าเรามีแผลในด้านจิตใจหรือว่ามีแผลในตัวเอ่อเทาท้วงมาก่อนนี่นะหัวโหดไปเลยวนีกลัวเขาอีกต่างหากเพราะอะหรเพราะเรามีความผิดนะเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายน้องลงทั้งหลายในยุคสมัยนี้มันมีอะไรตัไม่อะไร ทางเฟซทางยูทูบโซเชียลทั้งสื่อต่างๆะระดมเข้ามาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นแต่ผมอยู่ในป่าผมก็ไม่ค่อยได้มีโทรทัศน์มีอะไรแต่พวกน้องๆทั้งหลายคงจะได้ฟังสื่อต่างๆเพราะเป็นคนรุ่นใหม่ทันสมัยนี่แหละพวกเราอย่าชะล่าใจสรุปแล้วก็คือทำตนให้เป็นพระที่ดีอยู่นัสถานที่ใดให้มีศีลและวินยัย ให้อยู่ในกรอบของศีลและวินยัยถ้าว่าพวกเราอยู่ในศีลและวินยัยคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีแล้วนะเราอยู่นากสถานที่ใดเราไม่ต้องกลัว เ, เพราะเหตุไรเพราะเราบวชมาบวชมาเพื่ออะไรเราไม่ได้บวชมาหวังลาบยศสรรเสริญอย่างอื่นเราบวชมาเพื่อหวังพ้นทุกในวัฏสงสารตามแนวแถวพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเรา สมัยก่อนก่อนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านอยู่อย่างไรเราต้องมองดูพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเอาเถอะพวกเราได้มาขนาดนี้หรือนับวันเหนือจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราแล้วที่ท่านอยู่สมัยตะกอนเก่านะพวกเราได้ขนาดนี้ก็นับว่าออติเลกราบของเราเหนื่อยเฟือฟุ่มเฟือยแต่ถึงยังไงพวกเราอย่าลืมตัวท่านเองนะจ๊ะน ให้อยู่ในหลักพระธรรมวินัยให้อยู่ในกรอบให้มีสัมมาคาระวะให้มีผู้น้อยผู้ใหญ่ให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมให้มุ่งมั่นในเรื่องจิตตภาวนาตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นของพวกเราผมไปนสถานที่ใดเนี่ยถามดูที่ท่านอาจารย์พชรูวงศินที่เป็นโฆษกเนี่ยผมไปที่อินโดนีเซียนะผมก็เน้นหนากว่าให้พี่น้องประชา ชาวอินโดนีเซียให้ยึดหลวงพ่อจะสาธิต ว, ธวิธีการวิธีการไหว้พระวิธีการกราบพระแนวแถวสายหลวงปู่มั่นวิธีการเดินจงกรมแนวแถวสายหลวงปู่มั่นวิธีการนั่งภาวนาตามแนวแถวสายหลวงปู่มั่นเพราะบีเทพอินโดนีเซียมีหลายสายใช่ไหมไม่รู้อสายพมา่าสายศรีลังกาพมา่าไม่รู้กี่สาย พมา่าศีลังกาที่เบตเกาหลีญี่ปุน่นไต้หวันมีมากมายเวียดนามาที่เข้าไปแต่และประเทศเข้าไปแนะนำสั่งสอนเพราะทุกวันนั้นการไปหาไปมาหาสู่มันสะดวกาตามสื่อต่างๆแต่เล่าไปเราก็เราก็แนะนำอีกแนวหนึ่งสายหนึ่งให้กับให้กับพวกเขาเป็นแนวทางเลือกทางหนึ่ง วิธีการกราบพระวิธีการเดินโยงกรมวิธีการนั่งภาวนาทํำยังไงหเรากราบเขาเอาพระกราบให้ฟังเลยเอาต่้นอาจารย์ปอกคูเจ้าคณะอําเภอคําชีน อ, อาจารย์ปอกคูจําลัดกราบให้เขาดูคนเป็นหลายพันคนนะในห้องในห้องประชุมใหญ่ของเขาเหมือนกับศูนย์เศรกษกิจอย่างนั้นแหละคนเขาถึงมากเขาถึงเท่าไหร่ เขาอีกทั้ง3า0ร้อยคนยังยังไม่ไม่พอนัง่งเรากอสาธิตให้เขาดูวิธีกราบพระด้วยเบนจางคประดิษฐ์กราบยังไงพอเราไปเห็นเขากล่าบแล้วก็กวาดเป็นคนละทิศคนละทางแบมือบ้างเอามืองุมหน้าบ้างเอาแบบยืนแล้วก็กวาบลงไปบ้างมันมีหลายแนวเราเห็นออืแต่ที่ยังไงเขาก็แสดงความกราบคารวะนะ แต่ถ้าเขาเป็นทางเลือกหนึ่งคือเป็นจางขัาประดิษฐ์อย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเมืองไทยของเราดาบกราบเรืององค์5คือเข่าสองแขนสองหน้าผากหนึ่ง5าหาอย่างเองเราก็กราบให้เขาดูจากนั้นวิธีการเดินอย่างกรมเราก็เดินให้เขาดูการเดินภาวนาเดินอย่างกรมเดินยังไงเวก่อนเวลาก่อนที่จะเดินเรากําหนดเส้นทางประมาณจัก20่ 29- ่สิบเหรือยี่หรือสามสาจากนั้นเราอยู่สุดทั้งทางจงกรมข้างใดข้างหนึ่งเราก็ปนมมือสะกอดอันนี้คือหลวงปู่มั่นท่านสอนนะสอนจิตยาณวิสิตของท่านยืนปนมมือขึ้นระหว่างอกอหาันทางไปทางเดินจงกรมนั่นแหละแต่ทางทิศ ท, ทางเดินจงกรมถ้าเป็นไปได้ทางทิศตะวันออกต่อสู่ทิศตะวันตกหรือสางทิศเหนือทางทิศใต้ถ้าเลือกไม่ได้ทิศไหนก็ได้ ถ้าไม่ใช่ว่าให้เปลี่นทิศทางนั้นจะก่อนจึงเดินโยกมือไม่ใช่ถ้าเลือกได้ทางตะวันออกตะวันตกเหนือใต้ถ้าเลือกได้ถ้าเลือกไม่ได้ที่ทางทิศไหนก็ได้จากนั้นเราก็ยืนปนมมือปนมือไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าการรดินโกมไม่ใช่ครูบาอาจารย์ท่านผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้แนะนําบอกกล่าว เพราะนั้นเวลาเราจะเดินจงกรมเราจึงไหว้ครูคือพระพุทธเจ้าซะก่อนปนมือขึ้นระหว่าง อ, อกพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆสจบคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จากนั้นก็แผ่เมตตาอีกข้าพระเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพระเจ้าต้องการความสุขอย่างไร ผูอื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นดวงใจอื่นๆทั่วไตรโลกธาตุต้องข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงมีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทกทอดวงใจทอกทอกดวงวิญญาณด้วยเถินจากนั้นก็อมมือลงพออมมือลงแล้วก็ก้าวขาขวาพดขาซ้ายโถแต่อย่าไปเดินช้าแต่อย่าไปเดินเร็วนะเหมือนกับเราเดินบิณฑบาตอย่างไรหรือเราเดิน ไปทํากิจการงานอย่างไรเราก็เดินอย่างนั้นะขาขวาพดทธขาสายโถเพราะใจของเรามันเร็วยิ่งกว่าอะไรนะเราจะไปเดินช้าทําไมไปเดินเร็วมันก็นเหนื่อยนะเดินตามปกติเป็นการเดินเปลี่ยนเรียบทนะขาขวาพดขาซ้ายโถพอไปถึงสุดทางจงกลมจงกลมที่เรากําหนดไวนะ้เราก็พัดทักศินเวียนขวาหันขวาขวาหันนะ mm. จากนั้นก็เดินกลับมาพุทธก้าวขวาขาขวาพดทธขา้ายโถพด โถพดโถอีกอมาถึงจุดทั้งนี้ก่ อ, อประแท็กชีตอีกหันขวาอีกแล้วก็ขาขวาพดขาซ้ายโถแต่มือของเราหลวงปู่มั่นบอกว่าอย่าเอาอย่าไกวแขวนอย่ากวแขกแขนไกวแ ข, ว น, ข, ว น, ขวนขาดความเคารพ อ, อย่าเอามือกอดอกเหมือนกับคนมีทุกข์ในจิตใจ เ, เราจะเอามือไขว้หลังเหมือนกับนักเลงเหัวไม้เดิน เดินท่าใหญ่ท่าสมณะแล้วต้องเอามือเอาไว้ที่ระหว่างท้องน้อยเอ่อเอาม า, อาไว้ที่ระหว่างท้องอันนี้คือลักษณะอาการลำพึงเออลำพึงเออลำพึงทางด้านจิตใจนี่แหละเออเป็นการลักษณะลำพึงอันนี้ก็คือวิธีเดินจงกรมาจากนั้นเมื่อเราเดินเดินได้นานมะเดินให้นานเพราะว่า เราภาวนาทําจิตใจให้สงบพุทโธพุทโธไม่ต้องสงจิตไปทางอื่นขาขวาพุทขายซ้ายโธขาพุทพุทโธพุทโธครูบาอาจารย์เดินสองสามชั่วโมงอันนี้แหละวิธีการเดินจงกรมถ้าเราไปเดินนสถานที่ใดเราไม่ต้องอับอายขายหน้าว่ะเดินจงกรมเขาทํำยังไงใเราเดินอย่างนี้ล่ะเดินตามแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นให้ลูกหลานคณะสถาญาติโยมฟังเอาไว้น่ะวิธีการเดินจงกรม ของพระกรรมฐานแนวแถวสายหลวงปู่มั่นท่านเดินอย่างนี้ทําให้ควายแขนท่าไม่ให้กอดอกท่านไม่เอามือไขว้หลังท่านมือให้มือเอามือประสานไว้ข้างหน้าเอามือขวาไว้ข้างในเอามือใช้ไว้ข้างนอกแต่เวลาเราแบมือออกไปเหมือนกับนั่งสมาธิมือขวาจะอยู่ข้างบนมือใช้จะมือซ้ายจะอยู่ข้างล่างนี่แหละวิธีการเดินจากนั้นเวลาเราจะออกจากทางเดินยงกลมเดินได้กาหนดเรียบร้อยแล้ว เราก็ยืนปนมือสุดทางจมกลมครั้งใดครั้งหนึ่งาจากนั้นเราก็ไหว้ครูอีกกรอบหนึ่งพุโทโธธรรมโมสังโฆสมจบจากนั้นเราแผ่เมตตาแผ่เมตตาอีกสกรอบอขอให้ข้าพเจ้ า, เาแเราก็ตั้งจิตอธิษฐานิบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้เดินจงกลมในคราวนี้ครั้งนี้ด้วยความอุตสาหะวิริยะด้วยความตั้งใจของเราบุญกุศลนี้ขอให้เป็นเครื่องเกื้อกูลหนุน พ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศ์สาคณะญาติญาติมิตรสหายตลอดถึงเจ้ากำรรนายเวรขอให้มีความสุขกายสุขใจทั่วนหน้ากันแล้วก็ขอให้ข้าพเจ้าเจริญยิ่งด้วยลาบยศจันทรเสริญฉุกย่าได้มีอุปสรรคนานับประการชีวิตของข้าพเจ้าขอให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นเราปรารถนาสิ่งใดแล้วก็ปรารถนาเพราะเราทําคุณงามความดีแล้วอย่างนั้นเราก็ออกจากสมาดซาำออกจากทางเดินจงกลม อันนี้ก็คือวิธีการเดยนโยกวิธีทั้งนั่งภาวนาก็เหมือนกันเวลาเรานั่งภาวนาเอาขาขวาทับขาซ้ายเมื่อเราจะภาวนาเราต้องไหว้พระสะกอระหังสวาขาโตสุปฏิปันโนอเรียบร้อยแล้วน ะ, ะแล้วก็เมื่อนั่งเมื่อไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อแผ่เมตตารอบหนึ่งข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขเดือหังสุขิตโตโหม่สุดแท้แต่เราจะแผ่เมตตาได้นะ จากนั้นเราก็นั่งคัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายขาขวาทับขาซ้ายแล้วนะเราก็ปนมมือขึ้นระหว่างอกซะกนะ่อนไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พุทโธธรรมโมสังโฆสามจบแล้วก็แผ่เมตตาเหมือนกับเราเดินจงกลมนั่นแหละจากนั้นก็เอามือลงเพราะในการนั่งภาวนานะการเดินจงกลมคือการเคลื่อนไหวทางทางทางร่างกายคือเท้าใช่ไหม ท่านไม่ให้กําหนดลมหายใจนะศรัทธาญาติโยมนะเวลาเดินจยกรมท่านว่ามันสับมันสับสนเอาใส่ก้าวขาเดินที่เท้าเลยก็ได้ก้าวขาเดินขาขวาพุทธขาซ้ายโถแต่บางคนก็บอกเอา้าทําไมจึงเอาพุทธโธมาเหยียบย่ําที่เท้านะอันนี้หลวงพ่อก็เคยพูดให้ฟังแล้วว่าอย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าคิดอย่างงั้นมันเลยเถิดใครเป็นคนคิดว่าเท้าต่ําหัวสูงมันถามที่เท้ามึงต่ำไหมหัวมึงสูงไหม มันก็ไม่ได้ตอบทักสักอย่างแต่ใจของเราไปให้ความสําคัญว่าเท้าต่ําตีนสูงเออตีนสูงหัวต่ำหัวหัวสูงตีนต่ําเอมันไม่ได้ว่าอะไรถ้าหาว่าว่าตีนมันไม่ดีมันตีนมันต่ําก็ตัดตีนตัดตัดแข้งเทีมทิ้งนีสิหัวมันจะไปได้ไหมมันก็ไปไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะอะไรมันอันเดียวกันนั่นแหละหัวกับเท้าในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นเราจะไปถือจะให้ความสําคัญ อย่าไปปักใจในว่าเท้าสูงหัวหัวสูงเท้าต่ําให้นึกว่าขาขวาขาขวาหรือเท้าของเรามันเคลื่อนไหวแล้วก็ขาขวาพดขาซ้ายโท่นั้นแหะเวลาเราดินนั่งล่ะมันขาไม่ได้ก้าวใช่ไหมล่ะมีแต่ลมหายใจเข้าออกเทียวเข้าเทียวออกเนี่ยเราก็กําหนดลมหายใจเข้าเวลาหายใจเข้าบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโทพด โทหายใจเข้าพดหายใจออกโททําไมแต่สายอื่นกรรมฐานสายอื่นบางทบางที่ก็ยบเนอะพองหนอสัมมาอารหังกําหนดดูตัวผู้รู้ความรู้สึกเนึกคิดมีหลายอย่างเรื่ อ, กองการเคลื่อนไหวของมืออย่างนี้กรรมฐานครูบาอาจารย์แนะนาําสั่งสอนแต่พวกเราเป็นสิทธิ์ยาด้วยสิทธิของหลวงปู่มั่นอย่างที่หลวงพ่อว่าเราเป็นสายหลวงปู่มั่นลูกศิษย์หลวงปู่มั่น หลวงปู่มั่นท่านสอนว่าเวลากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจเข้าพดหายใจออกโธอันนี้คือให้ให้ท่านกำหนดแต่กรรมฐานของพระพุทธเจ้าเท่ที่หลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนานสั่งสอนบอกกล่าวท่านว่าพระพุทธเจ้าได้ตัดสู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพในวันนั้นพระพุทธองค์กำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้า หายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกแต่หลวงปู่มั่นบอกว่ า, วามันหลงมันลืมได้เร็วนะมันหลงลืมหลงเงื่อนได้ง่ายหลงชนได้ง่ายลืมได้ง่ายควรจะสำทับกับพุทธโธเขาด้วยท่านจึงบอกว่าหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโทนี่แหละวิธีการภาวนาให้มีสติอยู่ที่ปลายจมกูก เ, เหมือนกับเรายืนอยู่ข้างประตูท่านว่านะ คนเข้าไปในอาคารมาในมาในศาลาเราก็รู้ว่าคนเข้ามาเวลาออกไปเราก็รู้ว่าคนออกไปอย่าไปตามลมเข้าไปอย่าไปตามลมออกมานี่แหละให้มีสติอยู่ที่ปลายจมูกเท่านั้นอันนี้ก็คือวิธีการแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวขอให้พระลูกพระหลานทั้งหลายที่มาที่บวชใหม่เข้ามาใหม่หรือสัทธายาดจมทุกคู่คนนะที่จะศึกษาปฏิบัติภาวนาเรื่อง จะภาวนาไม่มีขันท่าขันแปดไม่มีขันอะไรทั้งหมดน่ะไหว้พระเจศพเรียบร้อยแล้วก็ น, นั่งภาวนาหาหมมสงบเท่าน่ะเออเวลาเราจะนั่งให้ดับโทรศัพท์ไว้ก่อนวิทยุโทรทัศน์ปิดไว้หมดในชีวิตเราจะนั่งหรือเข้าไปในห้องพระเรานั่งภาวนาตามลำพังกําหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโโพุโธพุทโธนี่แหละวิธีการภาวนาในเมื่อภาวนาเราเราเร า, เราได้อะไรเเราภาวนาจิตใจของเราจะ ได้รับความสงบนะลูกหลานนะจิตใจแน่งสงบแต่ไ ม, ม, ม่ใหม่เมื่อย่างว่านะาสติของเราเหมือนกับเราเป็นผู้ใหญ่นะสติของเร า, นะเาใจของเราเหมือนกับเด็กงั้นแหละาบางทีเด็กมันก็จะไปตกบ้านบ้างตกเลือนบ้างตกน้าบ้างตกเหวบ้างไปเข้าป่ า, าไปใกล้อสรพิษบ้างนะแต่สติเนี่ยเป็นผู้เป็นผู้กํากับเด็กนะ ไวให้เด็กไปออกไปออกนอกลู่นอ ก, ก, นอกทางให้เด็กอยู่ในกรอบอยู่ในที่ปลอดภยัยนี่ก็เหมือนกันเออท่านท่านจึงเวลาจะภาวนาท่านจึงบอกว่าให้มีสติสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวสรุปแ้วก็คือสติเนี่ยก็คือเป็นผู้ใหญ่จิตของเราน่ใจของเราน่ความรู้สึกนึกคิดของเราน่มันเหมือนกับเด็กนะมันจะออกนอกลู่นอ ก, ก, นอกทางอยู่เรื่อยนะเราก็ต้องมีสติ ควบคุมในเมื่อมีสติควบคุมแล้วเด็กก็อยู่ในกรอบต่อไปเด็กก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมารู้จักเรียงสาภาวะรู้จักรับผิดชอบนี่ก็เหมือนกันใจของเราใจเมื่อเราฝึกฝนเข้าไปเรื่อยๆจิตใจของเราก็เน่งสงบเข้ามาจิตใจสงบเป็นหนึ่งจิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิเมื่อจิตรวมเข้าไปแล้วนะความเราจะรู้ได้ว่านัตถิสันติปรังสุ ข, ขัง ความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเราก็จะรู้ได้ในจุดนี้จากนั้นเมื่อเราเมื่อจิตสงบลงไปแล้วผ่านความสงบแล้วทีนี้จิตนิ่งแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าร่างกายเนี่ยเหมือนกับรถจิตใจเหมือนกับขนขับรถนะที่ดนี้เราเห็นได้ชัดเลยนะคณะธรญาติโยมลูกหลานนะแต่ก่อนเมื่อเราไม่ภาวนาเราจะไม่รู้ว่ากายกับใจใจกับกายนี่เป็นยังไง ในเมื่อเราภาวนาตามแนวแถวของพุทธะแล้วจิตใจสงบแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองร่างกายเหมือนกับรถจิตใจเหมือนกับคนขับรถมันขนละอ่านกันชัดเจนในเมื่อมันเห็นชัดเจนอย่างนั้นล้เราพูดรู้เลยเลยว่าโอ้ที่ว่าเขาว่าท่านว่าตายแล้วไม่สูญเป็นเพราะเหตุนี้เองหนอร่างกายเนี่ยตายแน่นอนแตกสลายลงสู่ดินน้ำไฟลมแน่นอนแต่ตัวนมามธรรมครัวตัวจิตใจเนี่ยไม่ตาย เหมือนกับไฟเหมือนกับรถดิมันเสียหายรถเสียหายแต่โซเฟอร์ต้องออกจากรถเนี่ยมันเห็นได้ชัดถึงขนาดนั้นละเวละวิธีการภาวนาเพราะฉะนั้นเราจยาจะรู้ว่าตายแล้วเกิดได้ตายแล้วศูนย์ภาวนาเท่านั้นอ่ะจะเป็นเครื่องบ่งบอกเป็นผู้บอกกล่าวให้พวกเราได้รู้เข้าใจถ้า น, นอกจากนั้นจะมีวิชาอะไรก็ตามจะคาดคะเนศเดาประมาณการอะไรก็ตามใช้ไม่ได้ทั้งนั้นพระพุทธเจา้าว่าผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้ เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดได้ตายแล้วสูญ น, นี่เป็นยังไงให้นั่งภาวนานี่แหละวิธีการนั่งภาวนาก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเดินโยกรมทํำยังไงนั่งสมาธิทํำยังไงแล้วจิตใจมันเข้าสู่ความสงบเป็นไปยังไงเป็นมาอย่างไรเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วนะเราจะนํามาพิจารณาทางวิปัสสนาด้านปัญญาอีกนะไม่ใช่สงบเฉยเฉยนะเพียงสงบเท่านั้นยังไม่พอ ทำจิตใจให้สงบนั้นเหมือนกับเราทานอาหารเสร็จแล้วก็เข้าไปนอนในห้องแอร์นอนทั้งวีทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีเราจะได้เราจะมีผลงานไหมเราจะมีผลงานไม่มีผลงานเพราะอะไรเพราะว่าเราพักผ่อนมากเกินไปเราต้องออกมาเราออกมาทำการทำงานมาค้นคว้าวิจัยเรื่องนั้นเรื่องนี้ เรื่องต่างๆออกมาทําการทํางานบางทีก็หนักบ้างเบาบ้างฮะนี่แหละวิธีการทํางานอันนี้เรียกว่าวิปัสสนานะแต่ทําจิตใจให้สงบนั่นเรียกว่าสมะถะทําจิตใจให้สงบจิตใจให้นิ่งในเมื่อจิตใจผ่านความสงบความนิ่งแล้วนะั้นนำมาพิจารณาทางวิปัสสนาทางด้านปัญญาจะเป็นปัญญาที่แท้จริงรู้จะรู้จริงเห็นจริงจะปล่อยวางจริงเพราะเห็นอะไรเพราะว่าจิตใจผ่านความสงบจิตใจเป็นหนึ่งแล้วนะ แต่หาจิตใจของเราไม่เคยสงบเลยจิตใจรวนเลยจิตใจปุ่งฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเราจะนํามาพิจารณาทางวิปัสสนาหรือว่าทางด้านปัญญาก็มีแต่สัญญากับสังขารมาลุ่มมาตุ้มมาตุ้มมาลุมแต่มันไม่มีจุดหมายปลายทางไม่มีจุดบอกเหตุบอกกล่าวที่ชัดเจนเพราะเหอะไรเพราะว่าใจของเราไม่ได้อยู่ในความสงบตามที่ควรจะสงบนะ ปัจจันขอให้พวกเราทุกๆท่านอันนี้เร ว, วิธีการภาวนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นของพวกเราอันนี้ก็ขอให้พวกลูกหลานทุกคนทั้งฝ่ายทั้งพระสงฆ์ทั้งฝ่ายคณะทศชาย า, ยาดโยมทําได้ทั้งนั้นนะไม่ใช่ว่าแต่เฉพาะของพระนะพวกเราก็สร้างบุญสร้างกุศลในการภาวนาในหลักของพุทธศาสนาพระพระุทธเจ้าท่านตรัสว่าให้ทานร้อยครั้งสู่รักษาศินบริสุทธิ์ครั้งหนึ่งไม่ได้ รักษาศีลบริสุทธิ์ร้อยครั้งสู้นั่งภาวนาทำจิตใจให้สงบครั้งหนึ่งไม่ได้อั น, นิสงภาวนานี่มากกว่ามากกว่าอั น, นิสงอเ น, นิสงทานาอเ น, นิสงสินแต่พวกเราเนี่ยพอนั่งภาวนาดูมากจะไม่สู้นะแต่ตามไม่จริงอั น, นิสงมากนะขธารัศฐายาตโยมลูกหลานทุกคนน่ให้ฝึกหัดเรื่องจิตตภาวนาเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกทุกคนจะต้องบาเพ็ญคุณงามความดี และก็พร้อมกันพวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนเลยมาพูดถึงพี่น้องประชาชนศรัท ธ, ธาญาติโยมที่นี่เป็นพุทธบริษัทสี่พุทธบริษัทษสีอุบาสกอุบาสิกาถ้าจะเปรียบเทียบให้ฟังแล้วก็พระสงฆ์นี่เหมือนกับช้างเท้าหน้าศรัท ธ, ธาญาติโยมเหมือนกับช้างขาหลั ง, งเท้าหลังเป็นผู้สนับสนุนแต่างช้างเท้าหน้าเดินผิดทางนะ เดินไปหาเหวนะช้างเท้าหลังก็เดินตามไปอีกเหมือนกัน เ, เมื่อช้างตกเหวนะเทั้งขาหน้าขาหลังมันก็ต้องตกไปด้วยกันนี้ก็เหมือนกัน เ, เพราะนั้นช้างเท้าหน้าจะทำอะไรจะคิดอะไรจะทำอะไรต้องอยู่ในกรอบของคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมจะแนะนำสั่งสอนพี่น้องประชาชนให้อยู่ในกรอบศีลธรรมอย่างไรช้างเท้าหน้าต้องได้คิดแต่ช้างเท้าหลัง เป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้เดินตามนะแต่ถ้าว่าช้างเท้าหน้าพิการช้างเท้าหน้าไม่อยู่ในกรอบช้างเท้าหลังก็เป็นจักกระยื้อไปนช้างตัวนั้นก็บไปว่าไปไม่ไปไม่ไหวแต่ถ้าว่าช้างเท้าหลังขาดช้างเท้าหลังพิการช้างเท้าหน้าดีอยู่เดินไปได้แต่เ้าเท้าหลังไม่ให้การสนับสนุน ช้างตอนนั้นก็ไปไม่ถึงไหนอีกเหมือนกันเพราะนั้นพ ธ, ธรบริษัท4ี่มันเกี่ยวเนื่องกันนะการจัดทาญาติโยมน ะ, ะทั้งอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสามเณรด้วยแต่จะว่าภิกษุสามเณรเก่งทีเดียวถ้าขาดจัดทาญาติโยมไม่ให้การสนับสนุนพระสงฆ์ก็ไปไม่ได้อีกเหมือนกันถ้าหากว่าจัดทาญาติโยมเอ้าข้าเนี่ล่ะเก่งพระสงฆ์ไม่เท่านั้นแหะถ้าว่าพระสงฆ์ไม่เป็นผู้นํา ศรัทธาญาติโยงก็ไปไม่ได้กี่น้ําอีกเหมือนกันจอดอีกเหมือนกันพราะอไรเพราะว่าไม่มีผู้นําเพราะพระสงฆ์ที่อยู่ข้างในท่านกันกลองไตรตองด้วยเหตุและผลอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวเอาธรรมมาสอนเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างมาสอนพวกเราสอนพระฝอยพระว่ายังไงสอนฝอยครวาดว่ายังไงนี่แหละสําหรับฝอยครวาดก็นี่แหล ะ, สำ ห, ะ, หละสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อวานเนี่เป็นวันสําคัญ ในประเทศชาติเป็นวันแม่แห่งชาตินะนี่แหละวันแม่คํำนี่แหละพวกเราทุกคนเกิดมาต้องมีพ่อกับมีแม่มีพ่อแม่เป็นแดนเกิดพวกเราคงจะไม่ปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มีพ่อแม่นะพวก ข, ข้าเองเกิดมาจากโพรงต้นไม้ออกมาจากจอมปลวกพวกเราคงจะไม่ว่าอย่างนั้นตกมาจากพ่อแม่เพราะนั้นพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณต่อพวกเราท่านทั้งหลายพ่อแม่ในหลักของพุทธศาสนาท่านบอกว่าพ่อแม่เป็นพระหานของบุตร ทีดาไม่ใช่พระหรหันของคนทั่วไปนะเป็นพระหรหันของบุตรธิดาให้พวกเราฟังไว้จุดนี้ให้แยกแยะนะแล้วก็พระหรหันพ่อแม่เป็นพรหมของบุตรพ่อแม่เป็นบุพกาจารย์เป็นอาจารย์คนแรกของบุตรธิดานเนี่ยเพราะว่าเราเกิดมาพ่อแม่เป็นผู้แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวก่อนเพื่อนนะอทอํ า, งงานะทอย่างนั้นนะลูกนะทําำนี้นะก่อนที่เราจะเข้าโรงเรียนพ่อแม่ต้องแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวเกาะก่อนเพื่อนใครอื่นหมด ท่านจึงว่าพ่อแม่เป็นบุพาจารย์ของบุตรธิดาและก็พ่อแม่เป็นพรมเป็นผู้มีมเมตตากับลูกๆทุกคนผมมัทยฐาร4ี่เมตตากรุณามุทิตานะแต่พ่อแม่จะไม่ใช้คําว่าอุเบกขานะพ่อแม่ใช้อุเบกขากับลูกนะใช้ยากมากนะมีแต่เมตตากรุณามุทิตานะสามสามอย่างนะแต่ถึงอย่างไรถึงพอมลูกจะจิบหายบายปวงยังไงพ่อกับแม่จะอุเบกขานะ ไปเป็นไปได้ยากมากนะแต่ถึงอย่างไงก็เพินเจีตเวนกรรมเก่าอันนั้นก็สุดแท้แต่นะมีน้อยมาก พ, พูดไปแต่ถึงอย่างไงก็ตามพวกเราในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทสี่ได้รับธรรมคำสอนจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนว่านะให้พวกเราลํำลึกถึงพระคุณของบิดามารดาพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบนะจงไงเลี้ยงท่านตอบ เมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วถึงเป็นเด็กนะเมื่อท่านเท่าแกชลาแล้วเราต้องเลี้ยงท่านตอบทำกิจธุระของท่านดารงวงศกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านนะขนาดเมื่อท่านตายไปแล้วนะพระพุทธเจ้าก็ยังมาให้ปล่อยปะลละเลยนะเพราะว่าเพราะว่า ร่างกายตั้งแต่หัวจดเท้าของเราที่เป็นก้อนอยู่เนี่ยที่เป็นร่างกายของเราเราได้มาจากใครได้มาจากพ่อแม่ถึงพ่อแม่จะล้มหายตายจากไปแล้วในหลักของพุทธศาสนาตายแล้วไม่ศูนยญตายแล้วยังไปเกิดอีกนในหลักของพุทธานะท่าตายแล้วสูญท่านก็ไม่ว่านตายแล้วพ่อแม่จะต้องไปเกิดไม่รู้จะไปเกิดที่ไหน เ, เราที่อยู่ได้มาทําบุญอย่างวันนี้แหละพวกเราได้มาทําบุญ C C that, เมื่อเราทําบุญเสร็จแล้วก็เออพ่อแม่ ดวงวิญญาณของพ่อแม่สิงสถิตอยู่ณที่ใดทิณใดขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าด้วยทุกครั้งด้วยเทินนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นการทําบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้กับพ่อแม่ของพวกเราเนี่แหละขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าว่พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทํากิจธุระของท่านดํารงวงศกุล ประพฤติตนให้สงควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงรับไปแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้เป็นหน้าที่ของบุตรหญิงบุตรชายเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านแต่ถึงอย่างไงก็เมื่อเราประกอบคุณงามความดีสังสมบุญกุศลแล้วนะเราก็อย่าลืมนะอย่าลืมว่าชีวิตของเรามีจุดจบนะอีกสักวันหนึ่งทุกคนไม่มีใครที่จะหลีกลีหนีพ้นไปได้อันนี้ไมไม่ใช่เอาความตายมาขู่กันนะ เอามาแคเขว่าเตือนสติเอาไว้อย่าลืมตัวถ้าคนระลึกถึงความตายไว้อยู่เสมอนะถ้าทำอะไรจะไม่หลงลืมตัวแต่ถ้าว่าคนไม่คิดถึงความตายซะเลยนะ่ะถ้าคิดอะไรมันมิตะลืมตัวน ะ, ะคิดว่าตัวเองจะไม่ตายที่แท้มันตายนะในเมื่ อ, อในเมื่อเราคิดถึงระลึกถึงความตายไว้อยู่เสมอนะแล้วเราจะประกอบคุณงามความดีสังสมบุญกุศลตายแล้วไม่สูญอีกต่างหากทีนี้ ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นเราประกอบคุณงามความดีสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าไปคิดอย่าไปทําอย่าไปพูดในสิ่งที่มันไม่ดีแต่เมื่อเราทําเมื่อเราคิดทําพูดในสิ่งที่มันไม่ดีแล้วสิ่งที่มันไม่ดีนะจะให้ผลจะตามสนองตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังนะคนเราไม่คิดนะขณะที่ทํานะเอมิจะทำรุอํานาจต่อโทสะราคะโทสะโมหะ พอทำไปแล้วเนี่ยกรรมชั่วที่ตัวเองตัวเองทำนะมันย้อนกลับมาให้ผลผลในสุดเขาจับเข้าคุกเข้าตารางแล้วไปทนไปและทมทุกอยู่ในรุกในตารางเ <c oughs> พราะอะไรเพราะว่าตัวเองไม่ได้คิดในขณะที่ทำ น, ะนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านว่ากรรมชั่วอย่าทำเฉลยดีกว่ า, าจะยกเป็นพุทธภารรษิตก็มีนะที่ให้โอวาทปฏิโมนะกเนาะอัตังลุกตงังเส้ยโย ปัจฉาตปฏิดุ ก, กตังกรรมชั่วคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วอย่าทําซะเลยดีกว่าเมื่อเราคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วลงไปแล้วกรรมชั่วเหล่านั้นจะตามให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังนะผมได้ขอให้พวกเราทุกๆท่านนะให้ฟังให้ศึกษาแล้วก็นํามากานกลองไตรตองปรับปรุงกายวาจาใจของพวกเรานะ เมื่อเราคิดดีทำดีแล้วอยู่ณสถานที่ใดเราก็จะร่มเย็นเป็นสุขนะแล้วก็ก่อนหลับก่อนนอนก็ให้ไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเบื้องต้นวิธีเดินอย่างกลมทำยังไงวิธีนั่งภาวนาทำยังไงวิธีกราบพระทำยังไงไม่ใช่ว่านั่งพับเปียบกราบปลกๆเหมือนกับฟักลาบนะไม่ใช่น ะ, เ, ะเราต้องนั่งกราบด้วยเบญจางคระดิด กาด้วยความเคารพคารวะจริงๆ จ, จ, จากนั้นก็นั่งภาวนาจากนั้นก็เดินจงกรมอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้ฟังนำแนวความแนวประพฤติแนวแนวประพฤติปฏิบัตินะสำหรับพวกเราหลวงพ่อมั่นใจนะเพราะเราหลวงพ่อได้ศึกษามาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วน้อง น, อ ง, นองทั้งหลายในท่านก็ได้ศึกษามาแล้วถ้าว่ามีความข้องใจสงสัยกระถามพวกน้องๆหลวงพ่อเนี่ย ท่านก็จะแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายแต่เมื่อพวกเราเราท่านทั้งหลายรู้แล้วจะถามทําไมล่ะรู้แล้วนะก็ไม่ต้องถามที่หลวงพ่อพูดทางนี้ทางนั้นก็คือบางท่านบางคนเข้ามาใหม่ลูกลูกหลานเกิดใหม่ศรัทธาญาติโยมเข้ามาใหม่เกิดใหม่ใหญ่ที่หลังยังไม่รู้นะถามครูบาอาจารย์ท่านจะแนะนําสั่งสอน บ, บอกกล่าวให้กับพวกเราสรุปแล้วก็คือให้หลวงพ่อเน้นหนักกว่าให้ เดินตามแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นพอหลวงปู่มั่นท่านเดินมาดีแล้วถูกต้องแล้วเป็นธรรมแล้วอธิธาตกระดูกของท่านล้วนแล้วแต่อบอกบ่งถึงความบริสุทธิ์คือเป็นกระดูกเป็นพระธาตุเป็นพระพระหันพวกเราเชื่ออย่างนั้นเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท, ท่านนะคณะทายาิโยมทุกหมู่ทุกเหล่านะ่ที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าว การพูด้วยการกล่าวการแนะแนวแนะนำกับพี่น้องประชาชนน้องหนุงทั้งหลายก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระีรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์อนุภาพอุญฺบรมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอให้มาคุ้มครองพวกเราท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใด อยู่ในกรอบของศิลธรรมก็คอยสมหวังดังปรารถนาทุกท่านทุกคนด้วยเทอญ